เราก็บางทีก็ได้สวจมหาสติประธานสูตรนะแต่ก็ไม่ได้สวดเต็มสรวจแบบยยอะๆเยอมากไปกิงมหาสติประธานสูตรครอบคลุมทั้งหมวดตายก็มีหกบพ ะ, ะมีหกหมวดเวทนาก็มีเยอะจิตตาโนปัตนา ธรรมะมันปรัชนาเรียกว่ามีมีสี่ฐานหลักหลักฐานตายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมแต่ที่เราสวดก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นแล้วก็แต่มันก็เป็นส่วนที่ที่เราได้ปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือเรามีสติในการตามรู้ใ น, ในการ ยื่เดินนั่งหรือว่านอนนะหรือว่าเป็นอิจกรรมเปิดย่อยที่เรียกว่าสัมปชัญญะบรักนภะก็คือว่าการทําความรู้สึกตัวนะในการคู้อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกในการเลี่ยวซ้ายในการแลขวานะในการกินดื่มขับถ่ายอันนี้คือเรียกว่าเป็นอิจกรรมเปิด ย, อยนะ่อยอีกนะอาจารย์มาเองก็ตอนเรียน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 เรียนแบบแนวหลวงพ่อเตียนก็เหมือนกันนะก็เรียนจากตำรานะหนังสือธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันของหลวงพ่อเตียนเป็นหนังสือที่พระอาจารย์ที่เป็นพระที่เรียกว่าบวทสอนเรานะเขาให้กนะ็ไม่ได้มาสอนถ้ายกมือแต่ท่านให้หนังสือนะให้หนังสือหลวงพ่อเตียนธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันนะในบทขั้งบังก็มีวิธี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 เราก็อาจจะเป็นพวกหัวทฤษฎีพวกหัวความวคิดซะหน่อยนะก็ต้องเอากล้อคิดเชื่อแบบความคิดไปก่อนนะมันถึงค่อยค่อยยอมตองใจที่จะทํานะะำรงแใ่ที่จะทําแต่สมาตอนทำมือใหม่ก็ทําแบบสลับปันกับทําแบบอานาปานสติกนะพเพราะแต่ตอนเราเคยเปิดปื๊อนอนาปานสติกแบบ นไปปรึกที่สวนโมกชา ย, ยานนะี่ยก็ฝึกนั่งอานาปานสติมาทันโบนใหม่ๆก็นั่งแต่อานาแต่พอได้มาอ่านตำราหราก็อพอเพียนก็ได้มาฝึกยกมือตั้านจังหวะบ้างก็ก็เลยมันทำสระกั น, นทำอานาก็อาจจะได้ความสงบนได้ความรู้สึกจิตมันนิ่งๆ น, งนแต่พอมายกมือต้นานจังหวะมันก็ มันก็เด่นที่ตัวรู้นะเด่นที่ตัวรู้แต่ก่อนนะมันก็สมบแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่ออันนั้นคึอเป็นก็เป็นมันไม่ไม่ได้มีครูมามันแนะนําต่อเลนะมันก็เลยไปไปติดแค่ตอสมสงบนะแต่ถ้าอนาคตนักติดจริงจริงก็เน้นที่ตัวสตินั่นแหละนะแต่ตอนนั้นเราทํามันไม่ทําแบบไม่ได้มีครูแนะนําแบบ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 ตอนที่เราทําอะไรก็แล้วแต่แต่ประกฏวมันก็ตกําหนิยากนะท่านในชีวิตประจำวันจริงจิงถ้าเราเียังเป็นผู้ฝึกใหม่นะเราจะทําการทํางานจะจะตามดูลงหายใจซึ่งมันค่อนข้างละเอียดอืมมันก็ตกําหนิได้น้อยมากมันก็เลยเหมือนช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมก็คือชว่วงที่นั่งแล้วก็ทั้งหับตาแล้วก็อยู่คนเดียว แต่ช่วงเวลาอื่นก็เหมือนใช้ชีวิตปกติแต่พอเอาวิธีแบบตัวข้อเทียมาประยุกต์มันก็บางทีเราก็นั่งสมาธิแบบนั้นก็ดูลมหายใจไปนะแต่ตอนเวลาที่เหลื่อยอื่นเราก็อาศัยรู้การเคลื่อนไหวนี่แหละนะรู้การเคลื่อนไหวเดิ น, ะ น, นวินาศบาทอ้อเดิ น, น, าานจงกรมก็แบบนี้นไม่ต้องเดินช้าก็ได้ แต่ก่อนก็เป็แบบเดินช้าๆที่ว่าอันนั้นคือเดินจงกรแต่จริงก็เดินบินสะบัดก็ไม่การเดินจงกรนะเดินก็คืออะไรก็เดินก็ก็มีสติรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่อย่างที่พระเจ้าพันตอเนี่ยเดินก็รู้ว่ากำลังเดินเนี่ยเราเดี๋ยวซ้ายแลขวาเผลอไปมองบ้านโยมเผลอไปมองอาหารนี่ยเผลอไปรู้สึกอยากกินนะ่ มันก็มันก็มีสติรู้ทันใจของเราก็ได้อันนี้ก็มีสติกำลังนลยนะหรือกวาดลานวัดมือกวาดไปนะหรือกวาดทูสาราอ๋ออันนี้คือการฝึกสติเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่แค่ทําความสะอาดนะสาราหรือว่าเป็นกิจวัตรของสงฆ์เท่านั้นแต่จริงมันคือเครื่องมือในการฝึกสติสเหมือนกันนะเรากวาดใบไม้กวาดทูอะต่างๆก็เนี่ย นะมีสติแต่ก่อนบางทีก็คิดว่าต้องรีบทำให้มันเสร็จจะได้ไปนั่งนะปฏิบัติธรรมนะไได้กลับสุส่มสักนทะีบางทีความคิดมันก็ติดแบบนั้แนะนะแต่ถ้าเราพอฝึกนะแนวเจริญสติตรเนะี้เราก็เห็นว่าอิริ ย, ยบาบถต่างๆก็เป็นการฝึกสติตั้งนั้นเลยนะนะแต่ก่อนมาก็เลยนั่ง ดูลงหายใจประดับต่อการยกมือทั้งจังหวะบานแล้วก็แล้วก็เก็บเกี่ยวในเรียบทในชีวประจําวันของเราเท่าที่ทําได้นะแต่หลวงพ่ อ, องเขียนท่านอาจจะเคยเห็นเรานั่งนแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีามาก็จะจําได้ตอนที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆบางทีคือหลวงพ่อก็ไม่ได้มาที่วัดตูปโตบ่อยๆท่านก็อยู่กรุงปพุมนานๆขึ้นมา ที่สุพโตทีพระอาจารย์ารเองท่านก็ไม่ไปหยุดสุปโตเท่าไหร่อยู่ผู้ลงบ้างเลอว่ามีกิจมนลที่อื่นบ้างแต่บางทีก็เปิดเทสหลวงพ่อเทียนเปิดเทสหลวงพ่องอเขียนบ้างหรือบางทีถ้าหลวงของ้อมาเทสบางทีหลวงก็อก็จเทสต่อนนะะแม้การดูลงหายใจก็เป็นการฝึกสติได้เหมือนกันนะะแต่ท่านก็บอกว่าให้หายใจแบบหายใจเป็นธรรมชาติ ให้หายใจธรรมดานะไม่ต้องเป็นบังคับลมหายใจนะอันนี้คือหลักสําคัญนะก็คือว่าไม่บังคับนะไม่บังคับลมหายใจนะไม่ต้องเป็นบังคับให้มันรั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดเราเพียงแค่รู้นะลมหายใจตามที่เขาเป็นอันนี้กเออ็เราก็ค่อยเจ็ดที่หนึ่งไปก่อนเราไปบังคับนะ ไปบังคับมากเกินไปแต่พ่อท่านก็สอนให้หายใจที่เป็นธรรมชาตนะิหายใจเข้าจะสั้นหรือยาวเราก็รู้ตามที่ก็เป็นอะไรประมาณนี้นหรือว่าถ้าไม่ดูลงหายใจท่านก็บอกนะให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะเป็นเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็แค่ไม่รู้สึกตัวนะให้รู้สึกตัวเฉยเพราะอันนี้เราก็เลยจับได้ว่าที่จริง การฝึกสติมันก็ทำได้หลายแบบนะดูลมหายใจแบบเดิ ม, มก็ทำได้นะเพราะว่าเอาเราตัวรู้เป็นตัวหลักไม่ได้เอาการบังคับลมหายใจให้ชั้นหรือยาวหรือว่าให้สงก ห, หรือว่าให้แบบหแบบยาบหยาะแ้เราก็รู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็นอกจากเราเห็นกายเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจจะดี มือไม้ที่ยกก็ดีหรือการเดินก็ดีที่จริงมันก็จะเป็นเห็นความรู้สึกเลยที่แต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้ว่าเพราะการดูจิตดูใจดูความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่ก่อนคิดว่านะแต่ก่อนเข้าใจเองคิดว่าเหมือนการฝึกแบบนี้นเหมือนบันไดสี่ขั้นนะต้องฝึกกายให้ดีๆก่อนต่อไปก็ไปฝึกเวทนาฝึกจิตตาฝึก ทำมาคิดว่าเป็นบันไดสี่ขั้นแต่ก่อนติดตําราแบบอ่านของหลวงพ่อพุทธทาส์นะอานาปา น, นสติสิบหกขั้นกายก็สี่ขั้นเวทนาสี่ขั้นนจิตสี่ขั้นธรรมสี่ขั้นคิดว่ามันเป็นเหมือนบันไดสิบหกสเต็ปคือหกขั้นที่ต้องค่อยๆเดินนะแต่ที่จริงอาจเป็นความเข้าใจผิดของเราเองนะไม่ใช่ว่าตําราไม่ถูกแต่ความเข้าใจผิดของเราเอง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 โดยเฉพาะฐานกายกเป็นเรื่องตน้นแต่บางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดความคิดพุ้งสร้างความคิดพุ้งสร้างนี่นก็คือจิตมันแสดงอาการใช่ไห ม, มคิดแล้วสมมติว่าเราไม่พอใจอเกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็เวทานาเกิดขึ้นครับหรื อ, อ น, นั่งไปนานๆปวดแคล้งปวดขานอกจากเวทานาของกายปวดแล้ว ใจก็รู้สึกทุกข์ด้วยอันเนี้ยจิตเขาก็ทั้งเวทนาทั้งจิตเขก็แสดงอาการมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบรู้แต่ตายอย่างเดียวก็ได้นะที่จริงไม่แต่ตัวเวทนาหรือว่าตัวจิตหรือไม่แต่ตัวทำมาลงนะก็แสดงนะที่จริงทำมาลงนี่ก็มาแบบมาแทรกตั้งแต่บทแรกๆนั้นนะความง่วงนอน นีวอร์รัตธรรมเนี่ยมีนทั้งห้าตัวนี้ก็เป็นธรรมารมณ์นะความ ง, ง่วงนอนเนี่ย ก, ก, นนะก็มาทุกวนันนะเป็นปัจิบัติต้องมาทุกวันความฟุ้งซ่านเนี่ยก็มีมาทุกวนันนฟุ้งโดยเฉพาะถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานเยอะก็ฟุ้งซ่านเยอะใช่ไห ม, สมสก็มาทุวกวันนความสงสัยนี่ก็มาหมด้แรกเลยนะแต่ไม่รู้ฮ สงสัยแตก่อนสงสัยแล้วก็คิดสงสัยแล้วก็ต้องหาคาําตอบให้มันได้นแต่เราไม่เคยเรียนรู้แค่ว่าอ๋อสงสัยก็แค่สงสัยเป็นแบบไหนหรือว่าปรุงสร้างก็แค่ปุงสร้างเป็นแบบไหนง่วงนอนก็แค่ว่างวงนอนเป็นแบบไหนเนี่ยเราไม่เคยรู้หรือแม้แต่ความพยา บ, บาดนะความคิดในเชงพยา บ, บาดเจ้คิดเจ้าแค้นไม่พอใจอะ น, นะ มันก็มานะเป็นไหมมีไหอดีตที่เคยไม่พอใจไม่ชอบใจหรือปัจจุบันก็เหมือนกันัแหละวนันนี้เปิดกระเป๋าเสียงดังวนันนี้ปิดประตูเสียงดังแต่รแนะั้ไม่พอใจนิดนึงเกิดขึ้นะนะในใจหรือพอใจก็มีนะพอใจนะบางธรรมบางครั้งก็พอใจปฏิบัติธรรมบางทีก็พอใจใจเองเปฏินในวันดดีนะ่รแบอนั คิดนั่นคิดนี่เปนในเชิงที่ดีอันนี้แนะน่ะนี่วาระทำทั้งห้าตัวเนี่ยมันก็มานะี่ยมาทุกวันวันละหลายรอบด้วยที่จริงนะเนี่ยทํามาุปรัสนาสติปัทานเนี่ยก็มาตั้งแต่แลกๆเลยแต่แต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นอุปสรรคเนะยแต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราต้องกําจัดมันทั้งหมด แต่ถ้าเราฝึกในแนวสติปัฏฐานนัส่วนจริงๆนะเราสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้มันไม่ใช่กุกแค่อุปสรรคนะแต่มันคือเหมือนเป็นทางผ่านหรือเป็นอุปกรณ์ในการให้เราสอนธรรมะเราเราจะอยู่อย่างไรแม้บางทีมันกายต้องน่วงแต่จะทำในให้ใจไม่กังวลใจไม่ทุกข์หรือจะอยู่อย่างไรจิตมันตุ้งซ่ามันคิดนั่นคิดนี่หรือว่าจิตมันสงสัย แต่เราก็เห็นว่าความสงสัยก็ส่วนหนึ่งแต่จิตจริงๆนะ่ตัวปกติก็ส่วนหนึ่งหรือว่ากายที่เคลนไหวมันก็ส่วนหนึ่งเราแยกทําได้มไหมนะเราไม่ต้องเอาจิตเอาใจไปรวมกันไปคิดสงสัยต้องหาคําตอบที่ได้นะต้องตามที่ได้เลยนะหรือความฟุ้งซ่านถ้าเราเห็ น, นจริงๆฟุ้งก็ส่วนหนึ่งนะนะ ไอ้ที่รู้ว่าฟุ้งก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งเราเห็นไหมถ้าเราเห็นได้เนี่ยเรียกว่าเรามีสตินะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราเข้าไปเป็นผู้ฟุง้งนะเราคิดว่าเราปฏิบัติแล้วมันฟุง้งพลาดมันไม่ดีนะแล้วก็จะไม่ชอบนะทําไมปฏิบัติวิธีนี้ต้องมันฟุ้งพ้าดนะมันไม่สงบเหมือนเดิมปฏิบัติแล้วทําไมมันคิดมากนะ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 แต่เวลาติดคิดใหม่อีกก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คืออ๋อจะเห็นว่าที่จริงถ้าความคิดมันเกิดขึ้นของมันเองแต่ถ้าเรารู้ทันนะมันก็มันก็วางความคิดได้นะวางได้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้รู้ใหม่ก็พอใ้ตรงเนี้นะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเองเนี่ยในจิตมันก็เกิดขึ้นนะไปย้อนคิดเรื่องอดี ไปที่เรื่องงานนะคดหรือจิตมันก็ท้อกับปฏิบจจันนะินัตธรรบางอย่างมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ก็แค่เรียนรู้มาหรือไม่แต่ความง่วงก็เหมือนกันนะแต่ก่อนที่ว่าความง่วงมันจะเป็นจะตาย <c oughs> มันมันหนักเหลือเกินนะบางคนติดกาแฟก็อาจจะคิดถึงกาแฟอะไรนะบางคนคิดถึงที่นอนมอนมุ่งอะไรเนงะี้ยอืมบางคน ปฏิบัติอยู่กับเพื่อนก็คิดถึงห้อของเขานะใช่ไหมมันจิตมันมันเกิดความคิดนะหรือบาทีท่านมาปฏิบัติที่นี่อาจจะคิดถึงบ้าน<ม>ถ้ากลับไปที่บ้านเป็นจะได้ทําอะไรก็ได้ที่มันสบายนะบางทีก็เป็นความคิดนะยิ่งท่านมาทำปฏิ บ, บนันใหม่ๆบางทีก็เห็นโ่ากิเลสมันมันหนักนะยิ่งถ้าเราปฏิบัติคนเดียวนะไปปฏิบัติอยู่พุตธินะ อยู่ในป่านะบางทีกลางวันนะมันนั่งอยู่ข้างนอกคุณติดเองก็ไม่ค่อยได้อยู่เหมือนเยอะอ่เป็นเฉพาะถ้าผนตกอยู่ในปา่าอนะยุงมันเยอะก็ต้องเป็นปฏิบัติในคุติการการกดนั่งยบมือบ้างนั่งประมาที่บ้างเนี่ยการกดถ้าจะเดิน็นกลมก็ต้องจุดจุดทูบนะแต่ก่อนยาตันยุงมันหายากนอะ่า แต่ไซส์หอมเนี้ไม่เคยเจอหรอกนะมีแต่ทูนะ่นะ่ะนะอนะจุดสามสี่จุดนะหัวท้ายกลางอะไรประมาณนะีนะ้เอาไว้การยืนนะแต่ถ้าตอนไหนนะมันเดินเป็นปวดเมื่อยก็ต้องเป็นนั่งนะเป็นนั่งมันก็ง่วงนะบางทีก็ง่วงบางทีความง่วงกับที่นอนมันหยุดด้วยกันเลยนะใช่ไหมนั่งอยู่บนที่นอนต้องแน่นนะอยู่ในกุฏิของเราเองนะมันต้องตื่นใจดีเองมากนะ ที่จะแบบไม่ให้ล้มตัวลงนอนเพนะราะวะ่าเขาไม่มีใครมาเห็นนะไม่เหมือนพวกเรานะนอนเนี่นอาจจะโดนสายตาคนอื่นประจานนมะแต่นั้นเราอยู่ปุติคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาดูนะมันก็ต้องฝืนตัวเองนะโอ้ต้องง่วงแบบไหนแต่เราก็ต้องสู้นะพื อ, อก็อาใสยกับบาทีตองหายใจนึกๆเขามาช่วย หายใจเลือึพึ๊บก็มาช่วยหรือวาบางทีก็บางทีนั่งสมาธิมากๆมกนนันง่วงก็อเปลี่ยนมายกมือดีกว่าแต่ในใหม่แต่แม้มาก็สู้ความง่วงไม่ค่อยไหยวเลยเอาเลือกระหว่างระหว่างไม่เจอยุง น, นั่งในมุงกับไปเจอยุงอยู่ข้างนอ ก, นอ ก, นอกเอาเจอยุดดนนงดีกว่าไปเดินจงกรมดีกว่าเนีเดินไป็นหลักแต่ก่อนนั่งแล้วมัน มันก็เบื่อง่ายหรือว่าห่วงง่ายก็ไปเดินจนกลมจนตับอรานอกจากว่าเดินลันปวดมันเมื่อยแล้วก็มันนั่งสักพักนั่งสักพักก็เดี๋ยวก็ห่วงยืดเข้ามาก็าออกไปเดินใหม่นก็ทำแบบนี้ก็ได้นะก็เหมือนมีคนถามว่าบางทีเราถ้านั่งนานๆเดอถ้าเดินนานๆได้ไหมไปท้ายไปทานนั่งแล้วมันไม่ค่อยรูตัวเนี่ยก็ ก็เดินถ้าเดินแล้วรู้ตัวก็เดินไปก่อดก็ได้นะก็เดินจนพอสมควรแล้วก็นั่งก็ได้หรือบางคนอาจจะถนัดนั่งก็นั่งไปดักก็ได้นะก็นั่งปวดเมื่อยพอสมควรก็ค่อย ไ, ไปเดินสักพักแล้วก็กลับมานั่งก็ได้มันมีปรคำว่ากิเลสบวชให้เสมอกันนะยืนเดินนั่งนอนนะให้เสมอกันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องแบบแบ่งเวลาเนาะ เป็นนาทีเป็นชั่วโมงให้เสมอกันไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเําะว่าจีรีบทเสมอกันคือว่าจะจีรีบทไหนก็เหมือนกันเราก็มีสติเหมือนกันนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เอาสตินะี่ยเข้าไปอยู่ในจีรีบทนั้นๆมันจะเสมอกันด้ตรงนั้นแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่ง สามสิบนาทีเดินสามสิบนาทีอะไรประมาณนะั้นไม่ใช่นะเราก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าทางใหม่ๆรู้สึกว่าทําแบบไหนแล้วมันรู้สึกตัวได้ดีนะเราทําแบบนั้นเป็นดั่งแต่พอสติรเรามากๆขึ้นเดี๋ยวสติมันไปเมื่อเราทําอย่างอื่นที่แตะจอดไม่ค่อยหนัดมันก็จะทําได้นานขึ้นเองหรือว่ามันก็จะรู้ตัวได้มากขึ้นเองแต่ก่อน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 แต่พอเราทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดคล้ายๆเหมือนจิตมั น, มนจะมีความพอใจนะมันมีความพอใจที่จะรู้ตัวมันก็จะเกิดความสํารวมรนะหว่างเกิดความสํารวมรนะหว่างหรือถ้าปฎาจรับปฏิบัติธรรมเขเรียกว่าเหมือนปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนได้อารมณ์นได้อารมณ์นะมก็คือว่าเหมือนอยากจะปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะ แต่ถ้าจำเป็นต้องทําการงานก็ทําได้แต่แต่ถ้าเราได้อารมณ์ปฏิบัติมันจะเกิดความาำรวมเองนะคําพูดก็น้อยลงนะแต่ก่อนอาจาอะจะเป็นเก่งใจคนนึงคนนี้พอเจนินกันก็ต้องทักทายพูดคุยแต่มันก็จะเห็นว่าออทิ่จริงมันก็เป็นความหยากอย่างนึง น, นะเราคิดเองว่าเราต้องไปพูดต้องไปทักอะไรนะที่จริง ยิงมๆเฉ ย, ยๆหรือว่าสงบในการทําการทํางานก็ได้เหมือนกันนะเลยเหมือนนะไม่จําเป็นว่านั่งชินข้าวต้องพูดกันนะเจอตันต้องอ่ะคุยกันนั้นเดินนี้ท่จริงเป็นความคิดของเราเองนะแต่ถ้าเราได้ลงปฏิบัติเราก็จะเหมือนก็จะอยู่เงียบเงียบนิ่งๆนะแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดต้องทําก็ทํานะไม่ใช่ว่าไม่ทํา แต่มันเหมือนจะมีการสํารวมสํมรวมวาจาสํนะารวมสายตาผูนะต้ตรงๆรงบางทีมั น, มนพนนื้นก็ไม่อยากอ่านถ้าปฏิบัติเราได้เราเหมนหังสือก็ก็ไม่ไม่ได้อยากจะอ่านอะไรละมันก็เหมือนก็ <c oughs> มันเหมือนรู้ว่าที่จริงตาําราที่แช้จริงคือการใจของา น, นี่ยแหละนะไอ้ที่เป็นหนังสือเป็นความรู้มันก็เป็นเป็นความรู้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 แต่ม so, ันก <iembre ein? S 2> ็ยังไม่ถูกต้องจริงๆถ้าจิตของเรายังไม่เป็นแบบนั้นนะก็อ่านไว้หรือฟังไว้เป็นเบื้องต้นก็ได้แต่ที่จริงการอ่านก็ที่จริงอย่างนย่างสมาตอนปฏิบัติใหม่ๆอยู่วัดนะมันก็เหมือนโชคดีน่ะเพราะว่าธรรมดเช้าทำวัดเย็นก็ถ้าครูบาอาจารย์อยู่ท่้นก็เทศหรือถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่ท่านก็เปิดเทศนะเปิดเทศหลวงพ่อเทียนบ้างหลวก็่ัคำเขียนบ้างตอนนั้นนะก็เหมือนเ อันนี้เราก็คือในเชิงทฤษฎีที่เราจะได้ในความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่มากขึ้นหรือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้อารมณ์อของเราด้วยนะแก้อารมณ์เนี่ยไม่ต้องว่ารอรอครูบาอาจารย์มาหาบางทีเราฟังทำไปเรื่อยแหละให้ไ้บางอย่างที่มันสะดุดมันก็จะเหมือนมันก็จะเข้าไปแก้ปมในใจของเราเองคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับน้ำนะ เราตะาดไปแต่บางอย่างที่มันสระปะปะมันก็ค่อยๆพัดใส่กับน้ําทิ้มสาดไปแต่มันไม่ใช่สะอาดทีเดียวหรอกนะบางวันอาชีพท่านพูดก็เจะยังไม่เก็ตยัไม่เข้าใจก็มีบังไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆค่อยเข้าใจก็มีนะมันก็ค่อยๆคล้ายเหมือนเป็นการแก้อารมณ์ตัวเองไปในตัวนะ แต่ก่อนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปตามเดินดูเราปฏิบัติแบบไหนนะก็เหมือนประเทศตอนเช้าประเทศตอนเย็นหรือว่าก็จับ CD, ตีดีจับก็จะไม่มีทีดีนัก็เป็นเทสเหอนนะตอนเราก็ฟังไปปฏิบัติไปฟังไปปฏิบัติไปนะแต่สมัยนี้โยมก็อาศัยช่วยก็ได้นะก็เราอาจะไม่ได้พิจิวัดเราก็เปิดตีดีวันละแถกสองแท็กในตก็ก็ได้เหมือนตอนขับรถหรือว่าตอนทํา ง, งานก็ ก็ได้หรือถ้าจะตั้งใจตั้งใจฟังจริงๆสักแถบนึงก็ดีนะบางทีตอนเราทางานวางทีสมาธิมันก็ไม่ค่อยอยู่นะไม่ค่อยเยอกับการฟังแล้วก็เยอะกับอย่างอื่นจะมากกว่าแต่ก็ไม่ต้องฟังมากหรอกฟังเป็นเหมือนเพื่อนหนึ่งก็เป็นกำลังใจกำลังใจเพื่อนหนึ่งก็เป็นการแก้รบให้กับตัวเราเองแล้วก็ฟังไปนันก็เหมือนแก้ลมนะ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 ปฏิบัติเนะี่ยปฏิแจะว่ากลับมากลับมาเมื่อมันหลงไปเราก็กลับมาเมือปุ๊งไปแล้วก็กลับมาหรือแม้แต่ลมไส่ก็กลับมาเนะ <c oughs> พื่อว่าให้เรากลับมาอยู่ยกับการรู้เนื้อรู้ตัวก็พอแล้วอันนี้คือนั้นเราไม่ต้องไปห้ามปลอมคิดนะหรือหลวงพ่อกเขียนท่านจะสอน้วมันมก็จาได้ ในแบบใหม่เราจะรู้สึกว่าต่อต้านนิดๆ น, นะหรือว่าเสียนในใจนะแบบองค์กอกไม่ให้เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกก็าผิดไม่ให้เอาดีไม่ดีทําไมมันถึงไม่เอาอะเราก็ไม่ดูเนาะเราคิดว่าเหมันเหตุผลเนาะเราเรียนมาวิทยาศาสตร์ก็สอนให้เราเรียนแบบแนวคิดแบบมีเหตุมีผลนะทําอะไรแล้วก็ คิดว่าคนมีเหตุมีผลดีกว่าคนที่ทําด้วยอารมณ์อะไรแบบนั้นหรือว่าถูกผิดดีชอบอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันก็ต้องยึดนะมันต้องยึดแต่จริงเราเคยกัยนเกตไหมเราก็ทุกเพราะบางทีเราก็กยึดอที่เราคิดว่าเราทําถูกนั่นแหละใช่ไหมเราทําถูกเราทําดีแล้วก็เถียงคอเป็นเอ็นได้เห็นไหมเพราะคิดว่าฉันถูกนเะส้นดีเป็นดีแล้ว แต่มีเหตุผลนะเหตุผลชัดเจนนะแต่จริงก็ทุกคนที่เถียงกันว่าคิดว่าจะเองถูกเหมือนกันน่หละหรือว่ามีเหตุผลเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ทุบตีกันนั่นแหละแต่ก่อนก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ก่อนกอไม่เคยรู้ตัวนะแต่ก่อนก็อ่านหนังสือนั่งปฏิบัติธรรมบ้านนะต่อที่รู้ตัวก็คือไปรู้ว่าตัวเองมืนทุบแล้วนะทุบเพราะอะไรทุบเพราะว่ า, วา คิดคิดว่าตัวเองถูกแต่ก่อนบวชม่มีตัวหนึ่งที่ที่ก็โกรธอาจารย์ที่ปึกษาในในตอนปึกงานนะตอนเรียนรงคมถืออยู่ก็โกรธอาจารย์มากก็คิดว่าเราทำถูกนะอาจารย์มาเปลี่ยนที่ปึกงานให้เราโดยพ้อรักการไม่ถูกต้องนะเราต้องตำทวงเราต้องใป้ใ้ต้องเอาเหตุเอาผลกันเอาสุขวิสิทินะ์กันประมาณนะแต่พอดีอาจารย์ ท่านนึ่งท่านก็มาพูดคุยด้วยนะแล้วก็เสียงแบบแบบด้วยเหตุผลเราคิดว่าเสียงด้เหตุผลแต่ก็มีอารมณ์ก็ไปเตือนอะไรนะคงอาจารย์ท่านก็เห็นเห็นเราคงเห็นเราเครียดเห็นเราโกรธนะแต่นายอาจารย์เขาเรียกชื่อนสะุธิศาสตร์เธอเห็นคิ้วเธอปุกโบมั้ยเราก็ไม่ได้มีกระจกเห็นนะ แต่เราเห็นว่าใจเราเราทุกข์มากไอ้ที่เคยแบบระฟังว่าถ้าวันนี้คุยกันมีเรื่องก็จะไม่ปรึกงานแล้วจะหนีไปปรึกที่อื่นอะไรประมาณนะั้นก็แบบคิดว่าแบบเขาจริงเอาจังเหมืนนะแต่พออาจารย์ทักเนาะโอ้เราเห็นใจเราที่มันมันโกรธเมื่อสักครู่นะมันมันหายไปหนึ่งไม่รู้เพราะโกรธแค่แค่เห็นเิยๆแล้วว่าใจเราแบบก็ลังทุกข์อยู่นะความทุกข์มันหาย แล้วก็แบบมันมันแปลกเลยแต่ก่อนที่แบบคิดว่าแบบต้องเอาจริงมาจังมากนะมันก็วานนั้นธรรมดาเองก็หลังจากแค่อาจารย์พูดวันนั้นก็เหมืนอนเออความคิดที่จะปรึกที่จะเปลี่ยนที่ปรุงงานก็ก็ไม่เปลี่ยนรับก็ปรุงตรงนี้แหละนะมันมันต้องเหมือนนั่นก็เหมือนเป็นคิตช่วงหนึ่งในชีวิตนะครับให้อย่างวต่มาคิดที่จะบวชเพราะว่า เรารู้สึกว่าที่เราเป็นคนจริงจังเกินไปแล้วก็เรารู้สึกเราติดติดในเรื่องดีๆพวกนี้นเราติดสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันดีติดเหตุผลมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะฝึกฝาธรรมะก่อนก่อนไปทําการทํางานก่อนไปทำอย่างอื่นแต่พอมาบวชแล้วนะไออารมณ์นั้นมันก็ มันก็จางหายไปนะก็จะลืมไปแต่พอปฏิบัติไปจริงแล้วนี่ไอารมณ์พวกนี้เราเคยเจอแล้วนี่ไอ้ที่ว่าเคยทุกข์เคยไม่ไม่พอใจแล้วมันหายไปที่จริงก็มันมีสตินี่เองอนะอมาฝึกปฏิบัติจริงอ๋อการรู้ทันจิตใจมันก็เป็นอารมณ์เหมือนเมื่อเมื่อตอนนั้นเองแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ตอนนั้นแค่รู้สึกดีที่มันที่มันไม่ทุกข์ ในเรื่องงานแล้วแต่มันก็ดื่มนะที่จริงเราคิดว่าเอ๊ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดขึ้นอีกตลอดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะถ้าติมันก็เกิดตับเหมือนกันนะตอนนั้นเคยรู้ตัวมันก็ดื่มไปทนะ่านี้นก็ยังหลงบางครั้งก็ต้อองย่างกินเหล้าเมายาอย่างอะไรยังเคนแบบตามโลกอยู่นะถ้าติมันเกิแบบกนะ ด, มกดแม้เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้จะเกิดตลอดหรอกแต่พอมาปฏิบัติธรรมแบบนี้อ๋อ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 จิตทุตตวงเกิดดับนะจิตที่โกรธก็เกิดแล้วก็ดับนะจิตที่มีสติก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอะไรอยู่ได้ตลอดหรอกนะแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านสองมันถูกจริงๆนะไม่ให้เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกเอาผิดไม่เอาดีไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่แค่เอาขอ้างนอกนะแต่ให้เรากลับมาเปลือนตัวเองให้เห็น บางทีมันคุ้งค่านบางทีมันสนไสบางทีวันนี้ปฏิบัติดีตอนบ่ายปฏิบัติไม่ดีมันก็มีนะเราก็คิดนะแต่ก็ไม่พอใจทําไมเราคิดว่าเช้าดีบ่ายต้องดีกว่าเปล่าสิอะไรแบบนั้นคิดว่าวันนี้ดีเออเมื่อวานดีแล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นอะไรนะมันก็คือความคิดของเราทตรงนั้นแล้วเราทุกข้อตรงนั้นแหละเราทุกข้อเราอยากจะให้มันดี อยากให้มันสงบอยากให้มันต้องพัฒนาแต่การที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เอาเนี่ยก็ถือว่าแค่รู้อย่างที่เขาเป็นอถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นจิตมันจะเป็นปกติมันก็เห็นเห็นว่าภูมิสร้างก็คแค่รู้ว่าภูมิสร้างเห็นว่ามันไม่สงบก็คแค่รู้ว่าไม่สงบหรือว่าเห็นว่ามันสงบก็รู้ว่าสงบก็ไม่ต้องไปติดมาเนี่ยแค่เหมือน สอนให้เราเดินไปอย่ไปติดอย่าไปคล่อมแวะเพราะด้านบวกคือด้านลบถ้าเราไปคล่อมแวะเนะ่ะมันก็หลงทางนะหรือว่าเนิ่นช้าเสียเวลาเนาะแต่การมีสติเนะี่ยมันเหมือนให้เราผ่านไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นมาก็ผ่านไปเรื่อยผนะ่านไปเรื่อยเลยมันทําให้เราไม่เนิ่นช้านะแล้วก็ไม่เสียเวลาเนาะแต่แต่เราจะผ่านได้เราก็ต้องต้องกล้าวางนะที่จริงสติจริงๆคือการวางวาง วางแม้แต่ตัวรู้หรือว่าตัวหลงก็ต้องวางนะรู้ก็ต้องวางมาตั้งชอบมากพนะอพอเพิ่มเขรียนสอนนี่ถูกจริงๆนะมีเคลื่อนมีหยุดนะมันเหมือนให้เราฝึกวางไว้เลยตอนนะี้วางรู้ทีละครั้งแล้วก็วางไปทีละขณนะหลงไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่คือวิธีนี้เราก็ดีนะดีมากแต่จริงก็ ถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปก็อีเยวบตื่นอื่นหรือเราไปทาในรูปแบบอื่นเราก็เข้าใจได้เพราะหลักการจริงๆเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะถ้าเป็นธรรมะแท้มันก็ต้องไปสู่จุดหมายเดียวกันนะก็คือความพ้นจากความทุกข์นะนะถ้าเป็นจุดหมายตัวนี้ยเราก็ต้องปึกอย่างที่ในมหาปฏิปทานทั่นสูตรทัานสอนไว้นะที่ท่านบอกว่าเป็นทางเอกเป็นทาง นะไปสู่ความทุกข์เนะี่ยมันต้องไปทางจุดเดียวกันนะเราเชื่อว่าพวกเราทุกท่านก็คงตั้งใจนะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัตินะนะเอามหาปฏิปัญญาสูตรนะเป็นหลักรูปแบบตัววิาาจารณนะ์เป็นเป็นรองนะเนี่ยไปไ ป, ยปิดยึดติดตายตัวในรูปแบบนั่นดีกว่ารูปแบบนี้ดีกว่าให้เราเอาตัวเองดูว่าเราปฏิบัติวิธีไหน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 ให้ต่อสู่จุดหมายปลายทางคือความค้นทุกข์นะใ น, นปฏิบัตินชาตานี้ด้วยกัน ท, ทุกคนทุกท่านเล่นเลยนะประกากพร้อกัน